ท่านพระโยคาวจรนทั้งหลายเวลานี้การเวลาที่จะเจริญพระกรรมฐานเข้ามาถึงแล้วฉะนั้นขอว่าโยคาวาจรผู้เป็นสาวกขององค์สมเด็จพระบัิแก้วอย่าลืมทรงอารมณ์ความดีในพระพุทธศาสนาอารมณ์ความดีที่จะเตือนกันมาเสมอก็คือว่าจงอย่าสนใจในจริยาของบุคคลอืน่น อย่าเหยียดยามคนอื่นอย่าดูถูกดูหมิ่นคนอื่นอย่ายกตนข่มท่านเพราะอาการอย่างนี้แปลการของความเร็วที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าเข้าถึงอุปกจิเลตนันคนที่นินทาคนเสียดสีคนเปรียบเลยว่าคนถ้าความดีมีอยู่มากเขาก็ด่าด่าว่าคนน้อย นินทาคนน้อยเสียสีคนน้อยถ้าความเลวอยู่มากก็นินทาเสียดสีคนอื่นมากว่าถ้ามีความดีสุดตัวหมดตัวก็หมายกวาการนินทาว่าร้ายกคนอื่นไม่มีดั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าคนที่หมดกิเลสคนที่หมดความชั่วย่อมไม่มองเห็นคนอื่นว่าชั่ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาท่านผู้ตบริษัทชายหญิงที่เป็นประโยคขาวจรดพิสุสมมเนกงาตามวันนี้ก่อนที่จะทำอะไรทั้งหมดจงรักษาอารมณ์เลือกความดีในพระพุทธศาสนาให้ทรงตัวราะการอย่างนี้แปลการทรงฌานจิตจะมีความเยือกเยก่นฌานจะทรงตัวญาณต่างๆที่ได้จะมีความผ่องใส เปลือกขอความดีประเภทนี้ที่องค์สมเด็จพระจอมใจทรงตรัสว่านหนึ่งท่านทั้งหลายจงอย่ายสนเจ้าท่านทั้งหลายจงรักษาศินให้บริสุทธิ์คืนหนึ่งเราจะไม่ทําลายศินได้ตนเองเจ้าไมยุยงส่งเสริมให้บุคคลอื่นทําลายศินไม่ยินดีแม้บุคคลอื่นทําลายสินแล้วรายการที่สอง จงรักษานิ้วอนพยายามรักษากำลังใจย้ายหนิ้วอนเข้ามาครอบงำขณะที่ทำความดีแต่ความรักในระหว่างเพศเกิดขึ้นให้ใช้กายคาตาโนสติกับอสุสบกรรมฐานเข้าวิตรอนทันทีแต่ความโกรธความย่ำบายเกิดขึ้นความไม่ชอบใจเกิดขึ้นให้ใช้พรบมหานสี่หรือกรสินสีเข้าวิตรอน แต่ความง่วงจะเกิดขึ้นทำใจเข้มแข็งลืมตาให้กว้างขยี้ตาแต่ลมพุ่งซ่านจะเกิดขึ้นให้เอัานาปานุติกรรมฐ า, านโดยเฉพาะคือลมไม่ใจเข้าออกรู้ลมเข้าลมออกไว้เป็นปกติความพุ่งซ่านจะหมดไปและเราต้องเป็นผู้มีสติมีปัญญาไม่สงสัยในผลของการปฏิบัติ ถ้าผลการปฏิบัติเกิดขึ้นให้ใช้กําลังใจที่บริสุทธิ์ผดผ่องเข้าพิจารณาว่าเป็นความจริงหรือว่าเป็นอุปาทานหลังจากนั้นทรงพรมิหารสี่ให้เป็นปกติพรมิหารสี่เป็นความดีที่เลี้ยงทั้งสมาทั้งศีลทั้งทานและวิปรสนายานบุคคลใดทรงพรมิหารศีลได้บุคคลนั้นก็มีศีลบริสุทธิ์ และสมาธิริอานสมาบัติเขาทรงตัวปัญญาก็แก้วกล้ามีเฉียบฉลาดสามารถำกำจัดกิเลสได้เป็นสมุทเประหารถ้สาสรงการอย่างนี้ได้ต้องทำให้ครพทอนอย่าคิดว่าเป็นประเพณีถ้าเราพลาดความดีขั้นเปลือกในพระพุทธศาสนานี้เราจะไม่มีโอกาสพบความสุข ่าพบความทุกข์นั่งก็คือนรกเมื่อทรงความดีตามนี้ได้แล้วหลังจากนี้ไปก็เจรณาตามคำส อ, สอนขององค์สมเด็จพระบทีแก้วที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าโยอยาติดในโล ก, กธรรมทั้งแปดประการด้ยวยยาหวั่นไหวให้เข้าใจตามความเป็นจริงว่าคนก็ดีสักก็ดีที่เกิดมาในโลกนี้ แม้แต่ว่าถุธาตที่ไร้วิญญาณหรือรูปปั้นที่ไร้วิญญาณก็ต้องกระทบกระทั่งกับอาการเขาโลกกระทำแปดประการคือเขาไม่กระทบแต่อโลกกระทำเข้าไปกระทบตัวเองโลกกระทำแปดประการคืนหนึ่งได้ลาบมาสองเสียมลาบอันนี้คนก็ดีใส่กด็ดีก็ต้องมีการหวังได้ ถ้าเราไม่ได้เราก็อดตายก็มีความจำเป็นจะต้องทํยจะต้องแสวงหาก็ขอแสวงหาด้วยความบริสุทธิ์ุดผ่อหอย่าคดอย่าโกงอย่าลักจากมยอย่ายื้อย่าแย่งของของเขาชีวิตของเราเลี้ยงไม่มากมันก็ทรงตัวและต่อไปมันก็ต้องตายต่อมาได้ลาบแล้วความเสื่อมลาบก็ต้องสลายมีขึ้นอีก เพื่อลาบที่ได้มาเราได้มาเพื่อใช้สอยดังนั้นเราก็ต้องมั่นใจว่าลาบเธอได้มานี้มันก็ต้องหมดไปวันหนึ่งขาง้าดรวมความมั่นได้ลาบมาแล้วอย่าดีใจเกินไปอย่าลืมตัวคิดว่าทรัพย์สมบัติส่วนนี้จะอยู่กับเราตลอดการตลอดสมัยแต่เมื่อท่านลาบสลายตัวไปเราก็ไม่เสียใจเพราะทราบอยู่แล้วว่าจําเป็นต้องใช้ ในโลกกรรมคู่ที่หนึ่งจำไม่ดีว่าอย่าสะเทือนใจคืออย่าดีใจเมื่อได้หลับอย่าเสียใจมาหลับหมดทีว่าเป็นเรื่องธรรมดารายการที่สองการได้ยศถาบรรดาศัก์ยศถาบรรดาศักดิ์เสียมไปไอันนี้ก็เป็นของปกติเหมือนกันเขายกย่องสรรเสริญเราได้เขาก็ตบเราให้ตกลงได้เหมือนกัน เขาชูเราได้เขาก็เหวี่ยงเราลงได้อย่าไปสนใจการลาบยศเสื่อมสุข <c oughs> เรื่องยศถาบรรดาศัก์อย่าสนใจให้มากเกินไป <c oughs> ท่านให้เรารับเลิกคิดอยู่เสมอว่าท่านให้เราได้ท่านถอนถอด ถ, ถอนเราได้เอาคืนได้ไหมือกันท่านให้มาเราพอใจท่านดึงเอากลับไปเราไม่เสียใจทําใจปกติถือว่าเป็นเรื่องธรรมดา คนมียศถามันดาสักขนาดไหนก็แก่ตายเหมือนกันคนไม่มียศถามันดาสักก็แก่ตายเหมือนกันแต่ว่าความสุขความทุกข์ไม่ได้อยู่ที่มียศหรือไม่มียศมันอยู่ที่ความเฉลี่ยหรือสุขภพถ้าเราไม่เกาะติดในยศไม่เสียใจมายศหมดไปชื่อว่าเป็นคนเฉลาดหัวขนก็ครอบให้เมื่อไรก็ได้ เขาจะโยนทิ้งจากหัวเราไปเมื่อไรก็ได้เป็นเรื่องของเขาเราก็สบายใจทำจิตให้เป็นอุเบกคาคือวางเฉยแต่รมทั้งสองอย่างได้ยศมาก็เฉยไม่กระโดดโลดเต้นยศหมดไปก็เฉยไม่กระโดดโลดเต้นจิตก็็นสุขก็ขต่อไปคู่ต่อไปคือ น, นินทากับสั้งเสิญ นินทากับสรรเสริญนี่จะว่าแต่คนที่มีชีวิตสัตว์ที่มีชีวิตเลยถูกเนินทาและถูกสนรเสริญแม้แต่รูปปั้นวัตถุธาตุต่างๆที่ไม่มีจิตใจก็ยังถูกเนินทาและรับการสรรเสริญรวมความว่าคนในโลกนี้เราหาคนดีจริงๆยากคนดีจริงๆก็ได้แก่พระอรหันเราหายากหน่อย ยิง่งคนในโลกนี้คนที่มีกิเลสมากกว่าคนที่หมดกิเลสเราต้องรักษากำลังใจไว้บ้งกับปกติเพราะเรารู้ตัวอยู่เสมอว่าเวลานี้เราอยู่กับคนที่มีกิเลสกิเลสคือความสุกปรกของจิตเมื่อจิตสุกปรกปากของเขาก็สุกปรกด้วยมือเท้าร่างกายของเขาก็สุกปรกดด้วย ในเมื่อเราอยู่กับเสียงสุขกระปรกล้วก็ต้องระมัดระวังจะตกใจเมื่อความสุขกระปรกมันเข้ามาถึงถ้าความสุขกระปรกเข้ามาถึงคือการนินทายก็ดีการสรรเสริญก็ดีเราทำใจวางเฉยเหมือนกับระอยู่กลางแจ้งแดดออกก็ยอมรับความร้อนถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาฝนตกก็ยอมรับความเย็นถือว่าเป็นเรื่องธรรมดา แต่ถือว่าเราจะไม่ดีหรือไม่ชัว่วก็ความร้อนและความเย็นเราจะดีใจชั่วจะมีความเปนสุขก็ไม่เป็นสุขอยู่ที่ผลการปฏิบัติข้อนี้ชั้นใดแม้คํานินทาดสาท้วนเสยก็เช่นเดียวกัน <c oughs> ถ้าใครเขาส้วนเสยเราเราก็วางคําสวนเสริยไว้ทํำท่ามันดีใจแต่ชัยเฉย ใครเขานินทาแล้วก็ห ย, ยากสร้างความเดือดร้อนอยากสร้างความสะเทือนใจคิดว่าคนนินทาคนก็คือคนเลวคนสันเรินคนพูดไม่ตรงตามความเป็นจริงก็คือคนเลวในเมื่อความเลวเราไม่ต้องการแล้วก็ไม่ติดในคํานินทาและสันเสรินวางเฉยทั้งสองอย่างครับ ถือขติที่องค์สมเด็จพระสัมมาทัมุทธเจา้าทรวนตัดว่าเนินทาเราสรรเสริญเป็นธรรมดาของชาวโลกเขาชมเราว่าดีถ้าเราเร็วเราก็ไม่ดีไปตามคำเขาพูดเราเร็วถ้าเราดีเขาติเราว่าเลวแล้วก็ไม่เลวไปตามคำเขาพูดรวมความเราจะดีแล้วเราจะเลวยุทธผลการปฏิบัติย้อนหลังเข้าไปบรรดาเทพบุตรบริสัท์ อารมณ์ที่ทรงสะเก็ดข้างความดีอารมณ์ที่ทรงปลื้มข้างความดีเรามีครบผลไหมอารมณ์ที่ทรงกับแพ้กับพี่ข้างความดีคือปุเพนวาสานุติยานการระลึกชาติเราทําไวเสมอเครืงตัวหรือเปล่าแต่งเครื่องความดีในพุทธเจ้าที่พุทธเจ้าสอนสอนคือทิปยคุยานและจุตูปปาติยานท <c oughs> ี่ส่งตัดไว้ในทุนบริการสตรเราทำเข้า่องตัวหรือเปล่าหลังจากนั้น จงเอาใจของบรรดาทุกท่านไปตั้งไว้ที่นันนิพานคือใช่พนิพานเป็นอารมณ์ทำจิตโดยนิยมคิดว่าขึ้นชีวอวานุสโลกเป็นทุกข์เต็มไปด้วยความสุขปรกโซโครมีแต่ความวุ่น ว, วายเทวดาและพรมมีสุขทุกคราวอยู่ได้ไม่นานเท่าไหร่ก็ต้องสเสด็จ ก, กลับความสุขจริงๆอยู่ที่นิพานหลังจากนั้นก็ตั้งใจไว้ว่าขึ้นช่อว่าการเกิด การเป็นมนุษย์คนดีเป็นเทวดาก็ดีเป็นพรหมก็ดีจะไม่มีสำหรับเราและพยายามลิดรอนโลภความโลภในการให้ทานใจาานจคาณุสติมาทานลิดรอนความโกรธ ด, ด้วยพรหมีหารศีลลิดรอนความหลงในจิตใจดีเข้าใจตามความเป็นจริงตามที่กล่าวมากี้นี้คือไม่ติดในมนุษย์โลกเทวโลกอมภมโลกเอราวรณดาท่านพทุทธบริษัท เวลาที่จะพูดหมดแล้วตอนนี้ไปบรรดาสาวกขององค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วให้ทําสมาธิและวิปัสสนาญาณตามกําลังของท่านจนกว่าจะถึงเวลาสองทุม่มเขาจะเปิดแผ่นเสียงอุทิศส่วสนแม่นมาจบหลังจากนั้นไปขอทุกท่านทำกิจกอย่างสบายการเจริญของท่านในตอนนี้ท่านจะนั่งจะนอนจะยืนก็เดินก็ได้ตามอธัธยาศัย ขอปฏิบัติในที่ของตนอรบัญดาท่านพระสุชาติในกระทนขอยุติพระเถเพียงนี้